ชีวิตสมัยนี้นะมีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าความจริงมันก็มีว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ได้มาเป่าปล่าฟรีฟรนะได้อย่างนึงก็เสียอีกอย่างหนึ่งหรืออาจจะเสียสองอย่างนะเช่นได้ความสะดวกสบายมาก็อาจจะต้องเสียอะไรบางอย่างไปยกตัวอย่างง่ายๆ <c oughs> ถุงพลาสติกเนี่ยหรือขี้ผอเนี่ย นี่มันทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะเราจะไปซื้ออะไรนะก็มีถุงพลาสติกหรือหีบอททำให้เราเนี่ยสามารถจะขนหรือพาอาหารอะไรต่างๆไปกินในที่ไกลๆได้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเราต้องรู้จักจัดการกับขยะที่มันตามมาด้วย ไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนี่เราใช้ใบตองนะใบตองนี่มันไม่สะดวกสบายเท่ากับถุงพลาสติกหรือฮีพอต่างๆสมัยนีย้แต่ว่าพอใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งได้เลยนะทิ้งหน้าบ้านก็ได้ทิ้งข้างทางก็ได้เพราะว่ามันย่อยสลายได้ง่ายแล้วมันก็กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อมแต่ถุงพลาสติกเนี่ย หรือหีพอเช่นกล่องใส่น้ําผลไม้เราใช้เสร็จเนี่ยจะทิ้งเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แต่ว่าคนทุกวันนี้จํานวนมากก็ยังทําเหมือนเดิมนะสมัยที่เรายังใช้ใบตองอยู่ก็คือโยนถุงพลาสติกทิ้งข้างทางหรือบางทีก็หน้าบ้านหน้าบ้านของชาวบ้านจํานวนมากนี่หรือว่าแม้กระทั่งในตัวบ้านเองเนี่ย มีถุงพลาสติกมีกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ e b บีแรนี่อยู่เยอะแยะเลยซึ่งที่จริงเนี่ยมันไม่ถูกนะมันก็ต้องเสียเวลาหรือให้เวลาในการจัดการกับขยะเหล่านี้เป็นเอาไปทิ้งในถังขยะหรือไม่ก็จัดการเผาทำลายซึ่งก็อาจจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายนะว่ามันเกิดแกส๊สนะเกิดควันพิษนะ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเสียไปนะจากเมื่อเราได้รับความสะดวกสบายแต่ถ้าเราไม่คมํานึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาขยะมากมายหรือว่าเกิดความสกรปรกไม่ใช่แค่ถุงพลาสติกอย่างเดียวนะอย่างอื่นก็ด้วยเหมือนกันนะเช่นรถจนต์เนี่ยนะรถยนต์นี่มันก็นําความสะดวกสบายมาให้เราไปไหนมาไหนได้คล่องแต่สิ่งที่เราต้องเสียไปคือเสียเงินนะ เสียเงินซื้อน้ำมันเสียเงินในการซ่อมเสียเงินในการทำนุบารุงแต่บางคนจะบอกว่า้ยไม่เสียหรอกเพราะว่าได้ฟรีพ่อแม่ซื้อให้หรือว่าบริษัทจัดหาให้เงินไม่เสียก็จริงแต่ จ, จะเสียเวลานะเสียเวลาในการดูแลรักษามันอย่างน้อยก็ต้องเช็ดถูให้มันสะอาดเป็นเงางามไม่ให้เป็นที่อับอายนะของเจ้าของหรือคนขับเวลา ใช้มันขับขี่ไปตามที่ต่างๆยังไม่รับว่าเสียเวลาในการทางานหาเงินเพื่อที่จะมาซื้อน้ำมันให้มันหรือว่าซื้ออะไรหรือว่าซื้อประกันให้กับมันนะและไหนต้องจัดหาที่จอดรถให้ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีรถ <c oughs> แต่ไม่มีที่จอดรถก็กลายเป็นปัญหาคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้หลายคนที่เขาเลิก ซื้อรถแล้วเพราะว่าหาที่จอดรถยากหรือถ้าจะมีก็ต้องยอมเสียเวลานะหาที่จอดรถและนอกอย่างนั้นเนี่ยยังต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะแต่ก่อนขี่รถจั ก, กรยานหรือเดินเราเนี่ยไม่ต้องระมัดระวังก็ได้ใจลอยก็ได้นะแต่พอได้รถขับรถมีความสดวกสบายมากขึ้นนะมันต้องระมัดระวัง เพราะถ้าไม่รามัดระวังก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุถ้าไม่ชนคนตายหรือบาดเจ็บก็ตัวเองก็อาจจะเดือดร้อนเพราะความขาดสติโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันนะโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำความสะดวกสบายให้กับเรามากมายนะแต่ก็อย่างที่ว่านะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆแม้จะเป็นโทรศัพท์มือถือที่พ่อแม่ซื้อให้หรือ iPad ที่ได้จากพ่อแม่แต่ก็ต้อง เสียเงินนะซื้อซื้อเวลานะซื้อค่าชั่วโมงนะซื้อเน็ตหรือถึงแม้เสียเวลาซื้อพวกนี้นะแม้ถึงแม้จะไม่เสียเงินซื้อพวกนี้ก็เสียเวลาเสียเวลากับการใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะคนเสียเวลาไปกับพวกโทรศัพท์มือถือนี่ันลาหลายชั่วโมงโดยที่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ ยังต้องมีความระมัดระวังด้วยต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่าทำไมระมัดระวังใช้โทรศัพท์มือถือใช้โซเชียลมีเดียหากห้ามใจไม่ทันนะเขียนคอมเมนต์ด่าคนโน้นหรือว่าโพสข้อความนะด่าคนนั้นก็เกิดเรื่องตามมานะหลายคนก็เดือดเรือนอเดือดเนื้อร้อนใจก็เพราะความไม่ระมัดระวัง หรือถึงแม้จะไม่ทำอะไรเลยแต่กดสมสิิถุม5เดี๋ยวก็โดนพวกแกงคอเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพนี่หลอกเอาเงินไปแค่กดลิงก์นะแค่ครั้งเดียวนี่ก็อาจจะสูญเงินไปหมดบัญชีเลยก็ได้มันต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นกว่าสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือและเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่ เสีเงินเสียเวลาแล้วต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้เขาพบว่ามันเสียอารมณ์ด้วยเสียอารมณ์หงุดหงิดมากขึ้นหรือว่ามีปัญหาทางอารมณ์มากขึ้นอย่างเขาพบว่าเนี่ยคนที่ใช้โซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือนี่จะคุมอารมณ์ได้ยากขึ้นนะจะมีการตอบสนองต่อคําพูด หรือว่าผัสสะรอบตัวไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะมันจะมีปฏิกิริยาต่อสิ่งรอบตัวมากเร็วขึ้นเพื่อคือขาดสตินั่นเองมู้่งวามผลผลิตมากขึ้นนะไม่นับประเพณว่าซึมเศร้ามากขึ้นเพราะว่าเห็นคนเขาเห็นคนหนึ่งเขามีความสุขมากกว่าเรานะ เขาโพสต์ก็ความโพสต์ภาพที่ทําให้เรารู้สึกได้ ว, ว่าโอ้ยทำไมเขามีความสุขอย่างนี้แต่เราทำไมไม่มีอย่างเขาไม่สนุกแบบเขานี่ก็ทําให้เกิดความทุกข์ไปอีกแบบหนึง่งแล้วมันไม่ใช่แค่เสียอารมณ์หรือว่าเสียสุขภาพจิตนั้นนะเดี๋ยวนี้ควบคู่แบบความสะดวกสบายในการใช้โทรศัพท์มือถือก็คือมันมีผลต่อสมองคนเราด้วย เราใช้โทรศัพท์มือถือกันมา20ปีแล้ว20่สกว่าปีแล้วโดยนี้เขาก็พบว่าเนี่ยมันมีผลต่อสมองนะของคนใช้มากขึ้นโดยเพราะเด็กนะเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยในการที่พ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆ เ, เนี่ยมีโทรศัพท์มือถือหรือว่ามี iPad เนี่ยมันดูมันจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพ่อแม่นะคือไม่ต้องเสียเวลาดูแลลูกลูกกระจอง ง, องเงยก็ ให้ดูการ์ตูนทางโทรศัพท์มือถือทาง iPad หรือว่าให้ดูการ์ตูนทางโทรทัศน์ทางวิดีโอพ่อแม่สมัยใหม่สบายนะไม่ต้องเสียเวลาไปกับลูกมากขึ้นโดยเฉพาะลูกเล็กๆแต่เดี๋ยวนี้เขาพบว่าเนี่ยเด็กเล็ก ๆ, ๆเนี่ยนะเด็กทารกเนี่ยถ้าใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าดูหน้าจอ จะเป็นจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์วันละเกิน2ชั่วโมงนี่มันจะมีผลเสียต่อสมองตามมานอะอย่างเขาติดตามนันเด็กอายุ18เดือน2ขวบเนี่ยที่อยู่หน้าจอเกินวันละ2ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์จอ iPad จอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์เนี่ยพออายุ9ขวบเนี่ยปรากว่า มีปัญหาด้านการรับรู้การเรียนรู้สมาธิสั้นนะแล้วก็คุมอารมณ์ได้ลำบากเพราะพวามันมีความเปลี่ยนแปลงที่สมองพอแม่ที่คิดว่าให้เด็กเล็กๆเนี่ยหรือทารกเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือดูวิดีโอหรือเล่นเกมเนี่ยคิดว่าเนี่ยนอกจากตัวเองจะสะดวกสบายมีเวลามากขึ้นไม่ต้องไปดูแลลูกเท่าไหร่แล้วเลคิดว่าเด็กจะฉลาด เด็กจะหัวไหวไวเพราะคือว่าเอาเข้าจริงนะเด็กเนี่ยไอคิวจะตกลงจะลดลงการเรียนรูก้ก็แย่ลงนะพออายุเกขวบเนี่ยผ่านไปหลายปีเนี่ยจาก2ขวบไปถึง7ขวบเนี่ยถึง9ขวบเนี่ยผลเสียมันจะชัดเพราะนั้นเขาก็แนะนำว่าเนี่ยจะไปคำนึงถึงความสะดวกสบายมากนะให้ลูกเล็กๆเนี่ยดูโทรศัพท์มือถือแล้วอยู่นะดูหน้าจอเนี่ย แค่วันละชั่วโมงก็พอเกินกว่านั้นก็แย่แล้วเด็กไม่ได้ฉลาดขึ้นนะเด็กไม่ได้หัวไวขึ้นนะเด็กไอคิวลดลงการเรียนรู้ลดลงการใคร่ควรใช้เหตุใช้ผลแก้ปัญหาลดลงนะเพราะว่าสมาธิสันนะ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเราได้ความสะดกสบายจากโทรศัพท์มือถือจากอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างต่างมากมายนีแต่ว่าเราไม่ได้ตระหนักเลยนะว่า มันไม่มีอะไรที่ได้มืาฟรีๆนะได้อย่างก็เสียอย่างแล้วบางทีก็ไอ้สิ่งที่เสียนี่อาจจะมากกว่าสิ่งที่ได้มา ก, ก็ได้